สวดมนต์ให้พอได้มาชุมนุมรวมใจพร้อมกันถ้าจะสวดมนต์เอาแค่สวดให้ไพเราะชวนใจให้ซาบซึง้งก็พอจะเหมาะที่จะใช้กับท่านที่มีสติสัมปชัญญะพร่องลงไปเช่นท่านที่เท่าชราหรือผู้เจ็บไข้มากๆโดยมุ่งไปที่จะให้เสียงและคำสวดโน้มนำใจของท่านให้สงบหรือเกิดอนุสติระลึกไปในทางของบุญกุศลเช่นนึกถึงพระพุทธรูป นึกถึงบรรยากาศในการที่ได้ไปทำบุญนึกถึงบุญทั้งหลายที่ได้ทำแต่ถ้ายังมีสติสัมปชัญญะที่จเจริญได้ไม่ว่าจะสวดอย่างไรก็ต้องให้มีสัทธายาอยู่เป็นแกนดังที่ว่ามาการสวดมนต์อย่างที่ทำสืบๆกันมานี้เป็นการกระทาของบุคคลหรือแต่ละคนทำกิจของตนของตนถึงจะมาสวดพร้อมกันหรือประชุมพร้อมกันสวด แต่ละคนก็ทำกิจของตนของตนในฐานะเป็นส่วนร่วมของคณะหรือของที่ประชุมโดยมาประสานกันจะว่าเป็นคณะสาธยายก็ไม่ใช่เพราะไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะระลึกรู้เข้าใจธรรมะหรือตั้งใจว่าจะรักษาพุทธพจน์เอาไว้แต่อย่างใดสาระที่พอจะได้ก็คือเป็นกายสํามคีและเป็นจิตตสามคี อันนี้ก็เป็นความดีที่เป็นพื้นฐานไว้แต่ยังไม่ใช่เป็นตัวสาระ่วนที่ว่าเมื่อสวดไปใจมาอยู่กับอารมณ์ที่ดีงามได้มีความสงบสดชื่นเรื่นใจหายห่างทุกข์บางทีเกิดมีปีติปราโมทนั่นก็เป็นบุญกิริยาดีอยู่แต่ยังกั้มกึง่งหรือเสี่ยงต่ออกุศลที่จะเป็นความเสื่อมเสียเมื่อกลายเป็นความติดเพลินสุข อยู่ในความเคลิ่อเคลิมสมาธิก็ไม่ไปสติก็ไม่มีที่จะตื่นจะทันปัญญาก็ไม่มารู้เข้าใจเลยกลายเป็นชีวิตแห่งความประมาทมีสตขิขาดขาดพร่องๆการสวดมนต์อย่างที่ว่ามานั้นถ้าจะว่าเป็นการสืบทอดมาตามประเพณีก็ไม่ถูกแท้เป็นได้แค่ประเพณีที่เสื่อมจางรางเลือนขาดด้วนจากสาระ ที่เคยพอมีอยู่บ้างการสวดมนต์อย่างที่สืบสืบกันมานั้นแม้จะเลือนรางจากสาระลงไปก็ยังมีความหมายเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเจริญกุศลหรือการปฏิบัติธรรมเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมหรือเจริญกุศลขั้นต่อไปที่เป็นความมุ่งหมายอันแท้จริงตามประเพณีที่สืบจากเดิมนั้น ใช้การมาประชุมสวดมนต์พร้อมกันนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อกิจกรรมบุญกิริยาที่สําคัญขั้นต่อไปการสวดมนต์เป็นการเตรียมตัวเตรียมคนที่มาประชุมหรือชุมนุมกันนั้นพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านว่ารวมพลโดยเอาคนมารวมกันแล้วก็รวมใจให้ใจของทุกคนที่มาชุมนุมกันนั้นสงบชื่นบาน มองมุ่งไปที่จุดหมายอันเดียวกันใครมีเรื่องหงุดหงิดกังวลฟุ้งซ่านพอมาสวดมนต์ก็สงบลงอย่างที่ว่าแล้วแล้วก็รวมใจพร้อมใจกับคนอื่นๆมุ่งไปที่จุดมุ่งอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นงานธุรกิจกรรมที่ว่าเป็นบุญกิริยาอะไรที่ผู้สวดมนต์มุ่งจะทําต่อไปนี่ก็คือการฟังธรรมได้แก่ธรร ม, มาสวนาะ อันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงว่าเรามีประเพณีที่ว่าสวดมนต์แล้ฟังธรรมแต่การฟังธรรมนั่นแหละเป็นตัวบุญกิริยาที่ทําให้เกิดประเพณีนี้ธรรมะสวัสดิคือการฟังธรรมนี้ที่ว่าเป็นบุญกิริยาสําคัญนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งพระและโยมจะต้องเอาจริงเอาจังการที่เรามีพระพุทธเจ้า การที่ชาวบ้านมีพระสงฆ์ไว้ความหมายแท้สุดสำคัญก็เพื่อให้เราเพื่อให้ประชาชนชาวบ้านจะได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมก็จะได้รู้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ทำได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เจริญก้าวไปในการเรียนการรู้และการปฏิบัติธรรมต่อไป ดังนั้นตั้งแต่เดิมมาจึงจัดให้การฟังธรรมนี้เป็นกิจประจำวันของพระของโยมถึงกับมีคำว่าธรรมสวนาโฆษณาคือการโฆษณาประกาศเป่าร้องให้รู้ทั่วกันถึงรายการฟังธรรมแต่การนานผ่านมาชาวพุทธอ่อนแอลงเสื่อมถอยจากธรรมสวนะไม่รู้จักที่จะใส่ใจในเรื่องการฟังธรรม ตั้งแต่ไม่รู้จักหน้าที่สำคัญของตนคือการฟังธรรมนี้แล้วอะไรอะไรก็เลื่อนรางลงไปจะทำอะไรอะไรก็ไม่ทำด้วยความรู้เข้าใจแล้วความเสื่อมก็ตามมาจากยุคแรกแห่งการรักษาธรรมวินัยก็กลายเป็นแค่ยุคสมัยของการรักษาประเพณีแล้วประเพณีเองก็ค่อยๆเลื่อนรางลงไปได้แค่รักษารูปแบบไว้ เปรียบเหมือนรักษาขวดไว้ได้แต่น้ําหรือยาหายไปบางทีกลายเป็นสุราเข้ามาแทนการสวดมนต์และฟังธรรมนี้มีเขาความที่โยงกับเรื่องซึ่งจะพูดถึงดังจะเห็นในข้อต่อไปข้างหน้าด้วยเป็นอันว่าคนที่มาพร้อมกันสวดมนต์ด้วยกันนั้นตระหนักรู้อยู่ว่าเบื้องหน้าต่อจากนี้พวกเราจะได้ฟังธรรม จากนั้นเมื่อญาติโยมสวดมนต์พร้อมกันใจสงบพร้อมดีแล้วพระก็แสดงธรรมให้ฟังหรือมีการพูดธรรมะต่อไปนี่คือไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วก็จบคือเลิกกันงานหรือบุญกิริยาอีกอย่างหนึ่งที่ใช้การสวดมนต์เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะทำต่อไปก็คือใช้การสวดมนต์เป็นการเตรียมจิตเพื่อการทาสมาธิ อย่างที่บอกเราว่าจิตใจของผู้ที่มาแต่ละคนแต่ละคนเมื่อมาถึงที่นั่นอยู่ในภาวะต่อเนื่องมาจากการถูกกระทบภายนอกที่ต่างกันไปบางก็งุดหงิดฟุ้งซ่านบางก็ค้างจิตติดอารมณ์โน่นนี่มาอะไรต่างๆทำให้ใจไม่พร้อมก็มาสวดมนต์ด้วยกันเป็นทั้งรวมพลรวมคนรวมใจให้สงบนิ่งปลอดสิ่งรบกวนเข้าที่ พร้อมที่จะเจริญสมาธิให้ก้าวหน้าแต่การทำสมาธิเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องการปฏิบัติภายในของแต่ละคนนั้นนั่นเองเขาอยู่ในที่ของเขาเขาก็าสวดมนต์ในส่วนของตัวเองเพื่อเตรียมจิตให้สงบพร้อมน้อมที่จะมั่นแน่วเป็นสมาธิการชุมนุมสวดมนต์ด้วยกันเพื่อผลในการเจริญสมาธิจึงเป็นส่วนเสริมเพิ่มเข้ามา ไม่ใช่เป็นผลที่หมายตัวแท้ตัวจริงการสวดมนต์ที่เป็นการปฏิบัติภายในของตัวบุคคลที่ควรสนับสนุนอย่างหนึ่งคือสวดมนต์เพื่อช่วยให้นอนหลับการสวดมนต์เพื่อ น, นำการเจริญสมาธิและเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับนี้เป็นประโยชน์จาเพาะทางจิตใจที่ระบุความมุ่งหมายแยกไว้เป็นพิเศษแล้ว จึงไม่มาสับสนปนเปกับวัตถุประสงค์ทั่วไปตามปกติของการสวดมนต์รวมแล้วถ้าจะให้เข้าหลักแท้ก็อย่างที่ว่าคือให้การสวดมนต์หมู่ตามต่อมาด้วยกิจกรรมที่เป็นบุญกิริยาใหญ่อันให้ประโยชน์ที่ได้ทางจิตใจแล้วก็ได้ปัญญาด้วยก็คือการฟังธรรมนั่นแหละซึ่งเป็นการปฏิบัติที่จะให้ได้ครบไปจนถึงปัญญา นอกจากนั้นบางครั้งการชุมนุมสวดมนต์ด้วยการพร้อมกันนี้ก็อาจใช้เป็นการเตรียมตัวให้สงบมั่นคงมั่นใจพร้อมเพื่อการทำกิจสำคัญอย่างอื่นตั้งแต่การรวมกําลังทำงานบุญของชาวบ้านไปจนกระทั่งถึงกิจการของบ้านเมืองในบ้านเมืองไทยสืบมาแต่สมัยก่อนน้นมีวัดที่ชื่อว่าชนะสงครามอย่างที่กาญจนบุรี มีวัดชัยยะชุมพลชนะสงครามวัดนั้นเป็นอย่างไรตามเรื่องเก่าที่พอได้ทราบว่าในยามที่พระมาหากษัตริย์ทรงเตรียมทัพออกศึกจะโปรดให้ทหารมาชุมพลคือมาประชุมพร้อมกันที่วัดนั้นทำจิตใจให้สงบมั่นเป็นการได้รับพรให้พร้อมก่อนที่จะยกทัพออกไปจึงมีชื่อว่าวัดชัยยะชุมพลชนะสงคราม ที่กรุงเทพก็มีวชนะสงครามซึ่งตามที่ทราบมาว่าเป็นวัดที่มีโบทใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นที่ชุมนุมทหารได้เหมาะหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงไปรบชนะกลับมาก็มารวมพลที่วชนะสงครามก่อนที่จะปล่อยแยกย้ายกันไปอันนี้พูดสั้นๆว่าเป็นการทำจิตให้เข้าที่ลงท้ายโดยมารวมกันในกุศลให้ความสงบมาปิดท้ายจบความวุ่นวาย ให้พร้อมดีที่จะกลับไปดำเนินชีวิตในยามปกติต่อไปที่พูดมานี้ว่าไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาบ้างยังไม่ได้สอบสวนค้นคว้าอะไรดังนั้นท่านใดซึ่งใกล้ชิดที่ใกล้ชิดเรื่องและมีโอกาสก็ อ, อาจนำเนื้อความที่หนักแน่นชัดเจนสักหน่อยมาบอกเล่ากันที่นี้ว่าถึงการรวมพลที่จะไปรบนั้น ก็หมายความว่าทางบ้านเมืองได้เอาการสวดมนต์เป็นต้นนี้ขยายไปใช้ประโยชน์โดยยกความสงบมั่นคงความพร้อมด้านจิตใจเป็นสำคัญขึ้นมาให้ชีวิตมีฐานทางด้านบุญก่อนแล้วเรื่องไปรบจึงมาต่อในจิตที่เตรียมไว้ให้พร้อมดีแล้วถ้าไม่เตรียมให้พร้อมดีในด้านจิตใจทหารหรือคนที่จะไปรบนั้นตื่นเต้นหลายคนก็หวาดภาวาใจไม่ดี บางคนก็คิดถึงครอบครัวห่วงกังวลโน่นนี่ใจฟุ้งซ่านไปต่างๆก็มารวมชุมพลที่วัดพร้อมกันแล้วสวดมนต์ใจจะได้สงบนี่ก็คือรวมพลรวมคนรวมใจใจก็สงบจากเรื่องทั้งหลายมามองหมายมุ่งไปที่งานอันจะทาต่อไปและองค์พระจอมทัพก็อาจจะตรัสความนำใจนำปัญญา พามวลพลกายให้มีใจหนึ่งเดียวมุ่งไปยังจุดหมายของการรักษาบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของมวลประชาราศที่นี้ใจก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันสงบพร้อมดังนั้นการสวดมนต์ก็จึงใช้แม้แต่ในเรื่องของทางการบ้านเมืองเรื่องก็มาเป็นทํานองนี้ต้องพูดแทรกบอกไว้กันความเข้าใจผิดด้วยว่าหลายคนอาจพูดว่า การทำอย่างนี้เป็นการเอาสวดมนต์เอาเรื่องพระเรื่องบุญไปใช้ในการรบราฆ่าฟันกันด้วยสิขอให้เข้าใจตามหลักที่ได้พูดไปแล้วข้างต้นว่าการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์อวยใจให้พรหรือแม้แต่จะพรมน้ำมนต์ให้แก่เหล่าทหารแก่กองทัพนั้นในพระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักของปริตรปริฏตานะคือเพื่อการคุ้มครองป้องกันหรือปกปักรักษา ให้ตนเองและหมู่ชนปลอดภัยมีความเกษมสวัสดีผลเลยจากนั้นไปแล้วก็เป็นเรื่องของตัวคนนั้นๆเองที่ไปคิดไปทำการที่จะไปเข็นฆ่าทำร้ายใครหรือจะไปมีโชคลาบร่ำรวยอะไรนั้นพระไม่ไปยุ่งด้วยพระได้แต่อ้างอิงสัจจะอ้างอิงธรรมะให้อำนวยความคุ้มครองให้มั่นคงปลอดภัยปกป้องรักษาให้ได้ความสงบมั่นใจ หลักการนี้ออกมาเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกันในขอบเขตแค่นั้นที่นี้ว่าถึงในปัจจุบันการชุมนุมสวดมนต์รวมพลรวมใจให้สงบร้อ ม, มั่นคงมั่นใจแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีกับกิจกรรมบุญกุศล ส, ส่วนรวมต่างๆเช่นให้ชาวบ้านมาชุมนุมสวดมนต์พร้อมกันด้วยกันก่อน ที่จะรวมกําลังกันทำงานบุญบำเพ็ญประโยชน์เช่นพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนให้ทุกคนอยู่กันดีมีศีลมีธรรมเป็นอันว่าถึงแม้เราจะไม่ใช้การสวดมนต์ในความหมายแบบเดิมในครั้งพุทธกาลคือหนึ่งใช้ในการเรียนธรรมะของตนสองใช้ในการรักษาพุทธพจน ก็เอาการสวดมนต์มาใช้ในการรวมพลรวมคนรวมใจเรียมตัวให้พร้อมที่จะทำงานบุญหรือกิจกรรมที่ดีงามเมื่อจะทำอะไรที่สำคัญเราก็มารวมพลสวดมนต์กันให้ใจสงบมั่นแนว่วแล้วก็เริ่มทำการที่คิดหมายไว้ตัวคนก็จะพัฒนางานของชุมชนก็จะได้ผลจริงจังนี่ก็เล่าให้ฟังไว้ ข้อสำคัญคือในเรื่องนี้ต้องจับให้ได้สารธรรมที่จะทำการสวดมนต์นั้นโดยมีปัญญารู้เข้าใจและทำให้ได้ประโยชน์แท้ที่มุ่งหมายไม่ใช่แค่สวดไปสวดมาว่าตามๆกันไปจนกลายเป็นแย่ ก, กว่าสวดมนต์ของพราหมณ์ได้แต่มัวเคลิบเคลิ้มเพลินเลินกันไปกลายเป็นว่าทำให้คนยิ่งเฉื่อยชาไปกันใหญ่ดีไม่ดีก็เลยถลยลงไปอยู่ในความประมาท สติก็ห่างหายปัญญาก็ไม่มาฉายแสงนำทางให้การเข้ามารวมกลุ่มชุมนุมกันสวดมนต์มากมายใช้เวลานานๆให้เคลิมจิตเคลิมใจอยู่กับใจของตัวได้หายทุกข์หายกังวล น, นั้นจะยอมให้ได้ก็สำหรับคนที่เจ็บไข้หนักและท่านผู้เฒ่าชราและเด็กเล็กเด็กน้อยซึ่งไม่มีแรงกายแรงใจที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้น ให้ได้มีที่พึ่งจิตที่พักใจได้ชื่นชมชู ก, กำลังให้ฟื้นคืนความแจ่มใสขึ้นมาแต่สำหรับคนทั่วไปที่ยังมีเรี่ยวแรงการสวดมนต์จะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนให้เดินหน้าก้าวต่อไปกับสติและปัญญาไม่ใช่เป็นแค่ที่พักใจให้มาติดเพลินและไม่ใช่จะให้มาติดอยู่แค่การแก้ปัญหาจิตใจแต่ต้องไปให้ถึงจุดหมายที่แท้แต่ดั้งเดิม คือมุ่งไปที่การมีสติที่จะได้เจริญปัญญาสําหรับคนที่มีทุกข์สุ่มรุมล้อมจิตใจวุ่นวายแล้วมาได้การชุมนุมกันสวดมนต์เป็นที่หลบทุกข์ห่างปัญหาได้มาชุบชูใจสงบใจหรือกล่อมใจให้พ้นเรื่องราววุ่นวายยุ่งใจไปได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งก็ให้รู้ว่าเรื่องไม่ใช่จบแค่นั้นแต่ต้องให้การเข้ามาร่วมชุนมนุมสวดมนต์นั้น เหมือนเป็นการหลีกปลีกตัวมาแวะสถานีบริการหยุดพักสักครู่เพื่อซ่อมเสริมเติมพลังและได้เรียนรู้เสริมปัญญาที่จะออกไปปฏิบัติการให้เก่งดีมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะได้รู้จักปรับแก้พัฒนาการดำเนินชีวิตและกิจการงานให้ถูกต้องดีงามเป็นคุณประโยชน์แท้จริงหรือยิ่งขึ้นไปเอาเป็นว่าการสวดมนต์นี้ ถ้าไม่ได้ตามความหมายเดิมสองอย่างคือหนึ่งใช้ในการศึกษา 2. ใช้เพื่อรักษาพุทธพจน์ก็ใช้ในการเตรียมตัวทำงานทากิจการบำเพ็ญบุญกิริยาที่ยิ่งขึ้นไปโดยทำให้มีใจสงบพร้อมมั่นแน่วถ้าทำได้ในทางนี้ก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ให้ได้ประโยชน์อย่างที่สามนี้